เรื่องภิกษุชาวกรุงโกสัมพีหนึ่งเรื่อง160สมัยนั้นพระปันทุ ก, กะและพระกปิละเป็นเพื่อนกันรูปหนึ่งอยู่ในอาวาสใกล้หมู่บ้านอีกรูปหนึ่งอยู่ในกรุงโกสัมพีต่อมาเพื่อนภิกษุผู้อยู่ในหมู่บ้านเดินทางจากหมู่บ้านไปกรุงโกสัมพีระหว่างทางข้าแม่น้ำเปลวมันข้นที่หลุดจากมือของพวกคนฆ่าหมู ลอยมาติดที่เท้าเธอจึงเก็บไว้ด้วยตั้งใจว่าจะคืนแก่เจ้าของพวกเจ้าของกล่าวหาภิกษุนั้นว่าท่านไม่เป็นพระหญิงเลี้ยงโคคนหนึ่งพบท่านข้ามน้ำจึงได้กล่าวกับท่านดังนี้ว่าท่านนิมนต์มาเสพเมตุนธรรมกันเถิดเจ้าค่ะท่านคิดว่าแม้ตามปกติเราก็ไม่เป็นพระอยู่แล้วจึงเสพเมตุนธรรมกับหญิงเลี้ยงโคแล้วเดินทาง ถึงกรุงโกสัมพีเราเรื่องนั้นให้ภิกษุทั้งหลายฟังพวกภิกษุจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นไม่ต้องอาบัติปาราชิกเพราะถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้แต่ต้องอาบัติปาราชิกเพราะเสดเมตุนธรรมวงเล็บเรื่องที่149